กุศลศีลไม่ใช่เกิดครั้งเดียวแล้วจบไปเลยไม่ใช่ปริมาณของเม็ดของกุศลศีลนั้นจะต้องเกิดเป็นเสมอเสมอและจะต้องเกิดอย่างต่อเนื่องแล้วเกิดอย่างยาวนานเกิดไปจนถึงไหนเจตนาเป็นสังขารไหมเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่ต้องเกิดขึ้นโดยการปรุงแต่งเกิดการปรุงแต่งขึ้นเอาอย่างพระเนี่ยเวลาท่านทํากิจของท่าน แต่ละครั้งเนี่ยท่านนื้อพึ่งศีลได้ตลอดนะเป็นศีลของท่านหมดเลยอะในชีวิตของท่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องอ่ะเนี่ยก็เป็นศีลนั่นเนี่ยการห่มยีวรนจะห่มอยังไงท่านก็ต้องพิจารณาขงท่านตลอดนั่นเนี่ยแต่ยมไม่รู้สีขาวบทของท่านเองนะแม้แต่สีสาแม้แต่คิว้วแม้แต่เล็บแม้แต่การฉันอาหารแม้แั่การถือบาตรแม้แั่การเกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลเนี่ย กุศลศีลท่านจะเดินตลอดเนะกุศลศีลเดินทุกเรื่องท่านก็จะต้องคิดวิจัยตลอดเวลาว่าอะไรเป็นเป็ น, ปนความละเมิดพระบัญญัติของพระบรมศ า, ศาสดาเมื่อท่านไข่ควรเบ็เสร็จอย่างเนี้ยท่านได้รับปราโมดวิตรีได้จากการที่จเจริญกุศลศีลนั้นนั้นอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยตัวเจตนาศีลของท่านนั้นจะต้องปลูกตลอดไหมเพาออยู่ตลอดไหมพ่อมเมล็ดพันตลอดเพื่อสวยผลต่อไปในในอนาคตเอางี้ ถ้าไม่ให้กุศลเกิดแม่กุศลศีลเกิดอะไรเกิดแทนบาปเกิดแทนโอมลองคิดดูที่ว่าเราเห็นอารมณ์เนี้ยบาปเกิดแต่เราบอกว่าเราสมาทานศีลแล้วก็พอเห็นหนังสือปับ๊บอู้สวยยังชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินอันนี้เรากุศลศีลเกิดตรงไหนแล้วไหนศีลเกิดยังชอบไปซะแล้วเอ๊ะทําไมพ้ารูปนี้ชอบยกหนังสืออยู่เลยโกรธก็อีกแล้วไหนศีลน่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่าง เห็นไหมว่าถ้าหากว่ากุศลแลศีลไม่เกิดบาปก็เกิดแค่นั้นเองในชีวิตเนี่ยพอจะมองเห็นได้ยังถ้ากุศลไม่เกิดบาปก็เกิดฉะนั้นกุศลศีลเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลจิตเกิดสลับค้าเท้ากับกบาปอยู่ตลอดแต่ถ้าใครสามารถปลูกกุศลศีลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นอย่างยาวนานเกิดขึ้นอย่างหนานแน่นได้กุศลศีลจะมีกําลังไหมจกมีความคล่องแคล่วกุศลศีลทั้งหกทวารไหม ท, ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกุศลศีลก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องนึกถึงอดีตกุศลศีลก็เกิดได้ปัจจุบันกุศลศีลก็เกิดได้อนาคตที่เราตั้งใจสมาทานที่จะไม่ฆ่าเนี่ยเราหวังในอนาคตใช่ไหมนั่นแหละกุศลศีลก็เกิดได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วอยู่กับปัจจุบันที่ไหนแล้วใช่ไหมการงดงุก ข้าพเจ้าของงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการรักนเนี่ยเผื่อนาคตรหรือปัจจุบันอนาคตอดีตจะไปรักได้ไหมเพราะ อ, อดีตผิดพลาดมาไงเราถึงต้อมาทานอนดีตเนี่ยผิดพลาดยังไงถ้าเรากุศลศีลเราหนาแน่นปันี้เราบรรลุแล้วใช่ไหมอันนี้ความไม่หนาแน่นในกุศลศีลนี่แหละเราจึงไม่ต้องมานั่งฟังทำกันอยู่เนี่ยเบื่อไปฟังทำเบื่อเอามานี่เบื่อเลยสแสดงทำยังเบื่อเลย มันเบื่อการมีหูเนี่ยมันเจ็บปวดเพราะมันได้ฟังแต่พระธรรมอย่างเดียวอ่ะเอาใครเคยสมาทานไว้ไหมหูข้าพเจ้าจงฟังแต่พระธรรมเท่านั้นถ้าเป็นเสียงอื่นมาขออย่าได้ได้ยินเลยไม่ใช่เลยตั้หาไม่ได้ที่ฐานแบบนี้ไว้เลยอะตั้หาที่สร้างหูอ่ะมันสร้างมาเพื่อจะได้ยินเสียงตั้หาที่บวกกับกรรมเนี่ยปรารถนาได้ยินเสียงและปรารถนาเสียงเพอเพอด้วยถ้าเสียงไม่เพอไม่เอาหรอก โสตประสาทมันไม่เอาเพราะโสตประสาทนั้นไอ้ตันหามันฝากไว้อัธยาศัยเหล่านั้นจึงน้อมไปฟังในเสียงดีๆเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเอาหูเนี่ยตัวจักรคูประสาทเนี่ยที่บวกกับกรรมในอดีตนั้นมาจากอะไรมาจากเจตนากรรมที่มีตันหาแวดล้อมเนี่ยมีอัธยาศัยก็คือปรารถนาฟังเสียงดีๆอาจากคูประสาทเนี่ยปรารถนาเห็นรูปดีๆไหม เนี่ยตาจึงน้อมที่จะเห็นสิ่งงามๆอันนี้ถ้าสมมติว่าให้เราเป็นนั่งดูเอาเออกมาเนี่ยสมมุติมีคนนั่งกินเหล้าเต็มหมดแล้วมาเป็นนั่งเทศเนี่ยมาอยากเอาไหม่หเอาเลยทั้งทั้งรูปก็ไม่น่าฟังเสียงก็ไม่น่าเนี่ยรูปก็ไม่น่าดูเสียงก็ไม่น่าฟังกลิ่นก็ไม่น่ารักโอมันจะมันจะเพราะว่าเราไม่ได้ปรารถนามาอย่างนั้นนี่นั้นตัณหาเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นถ้าเรามองในลักษณะนี้ใจได้เห็นบอกว่าเจตนาเนี่ยมีสองมุมใช่ไหมที่เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นวารีศีลกับเจตนาที่เป็นจารีศีลถ้าจัดเจตนาที่เป็นวาริตศีลวารีศีลก็คือเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าการลักเป็นต้นเหล่านี้ยแต่ถ้าเจตนาในการเป็นจารี ก, ก็คือว่าในการปฏิบัติในทิศทั้งหกปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติต่อลูก ปฏิบัติต่ออาจารย์ปฏิบัติต่อสามีภรรยาปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าสาวกของพระผู้มีภาคเจ้านั้นเป็นเจตนาเป็นจารีตศีลเป็นเจตนาศีลเป็นข้อวัดอย่างเช่นอย่างเช่นเราเป็นพุทธบริษัทเราเห็นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นเหล่านี้เราก็ถือดอกไม้ทูบเทียนนึกถึงว่า วงของเราวงของเราคืออุบาสกอุบาสิกาสาวกของพระผู้มีภาคเจ้าเป็นต้นเมื่อมีดอกไม้ทูบเทียนแล้วมีข้อวัดปฏิบัติในการที่จะไปสักการะไปบูชาพระพุทธเจ้าไปอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเพื่อไปกวาดไปเช็ดไปถูไปดูแลอันนี้เป็นจารีตศีลทางกายเนะในขณะที่กายเดินไปเนี่ยถ้าทางวาจาก็คือบอกกล่าวท่านทั้งหลายไปช่วยกัน เก็บกว่าดปัดเช็ดถูบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้ามามามาช่วยกันไปบูชาพระพุทธเจ้าการมีผ้าบางมีของหอมบ้างเป็นต้นนี่เป็นจารีตของเราเป็นวงของเราเป็นตระกูลของพุทธบริษัทเนี่ยนะอันนี้เป็นจารีตศีล น, นะนี่เป็นจารีตศีลทางวาจาถ้าทางใจก็คือไม่ทํากายแล้ววาจายเคลื่อนไหวคิดในใจว่าเราจะไปอุปถากไปดูแล พระผู้มีภาคเจ้าที่พระเจดีที่ลานโพคิดก่อนอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นมนโนกรรมที่เป็นเป็นศีลเป็นจารีตศีลไงเนี่ยเข้าใจยังมองเห็นไหมนี่ศีลแต่เป็นจารีแต่ของเรานั้นน่ะถ้าจารีศีลยังไม่เข้าใจแล้ววารีศีลจะเข้าใจไหมศีลคือข้อห้ามหมดสิทธิ์เลยแล้วจะบริบูรณ์ได้ไหม เราอยู่บ้านกับทะเลาะขอไปนะทะเลาะ ก, กับแฟนขอขอไปเราอาจจะไม่เป็นแล้วพอเรารักษาศีลกลับไปล้วก็เก็บกายวาจาใช่ไหมเจอหน้าแฟนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคนมารักษาศีลเนี่ยอามาเคยเจอเนะอ อ, อันนี้ไม่ใช่พวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้มีคนคนหนึ่งนะ เขาเป็นคนบน่บนเก่งมากทีนี้ไปโยมผู้ชายก็โอ้โหบ่นทุกใจมากมาก็ถามว่าทำไมถึงทุกใจเขาว่าเหตุผลที่ทุกใจก็เพราะภรรยาบ่นเก่งเหลือเกินนวลนมาบอกเออให้รักษาศีนเดี๋ยวก็หายเขาเลยพยายามแนะนํามาพอแนะนํามาไปเสร็จเขาก็ให้รักษาศีนมาหามาดินะให้รักษาศีนนายเห็นโทษทิศ เออน้าเข้าหน้าเข้าก็กลายเป็นคนไม่ค่อยพูดอลไรตอนนี้ใช่ไหมเขากลัวบาปเขารู้ในการเป็นภรรยาคนปฏิบัติต่อสามีอย่างไรใช่ไหมโอ้ต่อไปก็จารีตเป็นเน่ะถามว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติด้วยกุศลจิตมไหมเหมือนเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ต้องปฏิบัติด้วยกุศลจิตจิตต้องเป็นไปกับกุศลฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัติที่เป็นไปด้วยกับกุศลนั่นแ่ะเป็นไปในลักษณะของจารีดเป็นกุศลจิต ฉะนั้นกุศลส ต, ติเนี่ยเมื่อเกิดความคุ้นเคยแม้อยู่ในบ้านใจก็เป็นไปกับกุศลฉะนั้นถ้าหากว่าเขาจะมาเจริญกุศลในระดับวาริตะซึ่งเป็นข้อห้ามที่สูงขึ้นมาเป็นยังไงเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาไหมเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะกุศลเดินคล่องมากมองเห็นได้อย่างว่าบางครั้งเวลาเรากลับไปที่บ้านเนี่ยมันกลายเป็นความศีลหล่นหายหมดเลย ถ้าเราไม่รู้ข้อปฏิบัติระหว่างเรากับพ่อแม่ระหว่างเรากับอา จ, จารย์ระหว่างเรากับเพื่อนระหว่างเรากับบุตรภรรยาสามีเป็นต้นหรือระหว่างเรากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องระหว่างเรากับพระพุทธเจ้ากับสาวกของพระุทธเจ้าเราปฏิบัติตรงนี้เรามีจุดเชื่อมโยงนี้ขาดไปจากนั้นก็ไปเขียนตรงนี้ใหม่แล้วก็เอาจารีตเอาเจตนาศีลเนี่ยนะใส่กับกุศลกุศลจิรุบาท ให้เกิดความคล่องแคล่วในทุกอารมณ์ในการปฏิบัติกับเขาต่อไปก็กวาดปัดกวาดเช็ดถูกุศลเกิดได้ไหมเกิดได้เลยในการปฏิบัติดูแลพ่อแม่ดูแลแรงต่างเนี่ยกุศลก็จะเกิดอยู่บ้านก็มีความสุขแต่อาจจะสุขน้อยกว่าแค่นั้นเองยังไงเพราะไม่ได้เดินกุศลศีลชั้นสูงอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันกุศลศีลเราก็เดินได้แต่ว่าความแข็งแรงทางด้านการได้ฟังพระสัตว์ทำอะไรต่างๆนั้นก็อาจจะขาดไปเนี่ยเนียนั่นแหละก็เรียกเจตนาศีล ฉะนั้นเป็นกุศลกรรมเป็นพีชานิธานกิจเป็นตัวพ่อเมล็ดพันธุ์เพื่อผลเพื่อหวังผลต่อไปใช่ไหมเพื่อได้เสวยผลต่อไปในอนาคตฉะนั้นใครสามารถทําเจตนาเจตนาศีลเนี่ยนะเกี่ยวกับเมล็ดของเจตนาหนึ่งลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยตัวเจตนาถ้าเป็นกุศลเนี่ยเกิดเยอะไหมมากกว่าแสนโกดมากกว่าแสนโกดครั้งฉะนั้นวิถีจิตที่รวดเร็วขนาดนั้นน่ยเมื่อเราตั้งเจตนาถูก ปริมาณของกุศลศีลยังมีความหนาแน่นมากถ้าใครสามารถเดินกุศลศีลได้จนคล่องทุกๆอารมณ์สิอย่างเมื่อสักครู่ที่ยกตัวยอย่างขึ้นมาเนี่ยอะมายกใช่ไหมดินสอขึ้นมาเนี่ยยมเห็นภพเนี่ยยมสามารถแต่ว่าเอไข้ค ร, ครวนกุศลศีลนี่เกิดเดินได้ว่าดินสอเล่มนี้แท่งนี้ยเป็นปัจจัยแก่ปานาธิบาตก็ได้ฆ่าสัตว์ก็ได้อย่างน้อยปีตีหัวหมดก็ตายใช่ไหม เป็นปัจจัยแกอทินนาทานก็ล่ะก็รักเป็นปัจจัยแก่การเมศถมิจฉาจาร์ก็ได้เขียนหนังสือจริงไหมนัดแน่อะไรเงี้ยไปทําการเมสถมิจฉาจาร์ก็ได้เป็นปัจจัยกับมูสาวาทพูดเทศซอเสียดคํำยาเพื่อเจอ้อโลกโกรธหลงได้หมดเลยสรุปก็คืออกุศลกรรมวสิทธิ์เนี่ยเกิดได้หมดพอเราไถ่ควรพิจารณ า, างี้แล้วก็ละปุ๊บเลยใช่ไหมตัดรอนนันดีเวรเจตนาอากุศลถูกตัดรอนได้วิรติอะไรเงี้ยไม ฉะนั้นเจตนาที่เป็นไปกับบาปที่จะทูศีนก็ถูกเจตนาที่เป็นไปกับกุศลกระตุน้นเตือนบอกให้วิรตีมาจัดการตัดหนอนรอนหน่อยบอกมานี่มานี่วิรตีมาตัดร้อนหน่อยทีเนี่ยจะคิดชั่วทางกายกรรมวจีกรรมอนกรรมเพือ่อเพื่อจะไปพูดเทศส่สอเสียดคำหยาเพื่อเจอแล้วเอาคุณวิรตีจัดการหน่อยบอกสัมมารกรรมต่าวิรตีงดเว้นบาปทางกายสามทางเสีบอกสัมมาวาจาวิรตีบอกงดเว้น บาปทางวาจาสี่ทางเสียใช่ไหมแล้วก็บอกสัมมาอาชีวะวิรติบอกว่าทําอาชีพให้บริสุทธิ์ให้หมดจดด้วยการเป็นไปกับกุศลเสียเจตนาจัดแจงไหมจัดแจงเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วตอนไปตัดจริงๆนั้นวิรติไปเป็นประธานใช่ไหมเพราะตัวเน้นการตัวศีลจริงๆอ่ะ ถ้านิปร Mary, honestly, society, so, a a strong, ิยาญะโดยตรงเลยเนี่ยตัววิรตีสามเนี่ยเป็นศีลโดยตรงนอกนั้นเจตนาก็ดีเจสิกดวงอื่นก็ดีเป็นกุศลศีลโดยอ้อมเป็นตัวแวดล้อมที่จะให้ข้อมูลให้ข้อมูลวิรตีใช่ไหมอย่างเช่นปัญญาเนี่ยเป็นศีลได้เพราะปัญญาให้ข้อมูลไหมปัญญาให้ข้อมูลเพราะปัญญารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเข้าใจกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีไหมเป็นอย่างดีไปพิจารณาเลยเนี่ยเป็นอกุศลกรรม เช่นไปฆ่าสัตว์เนี่ยใช่ไหมท่านอญญาจารย์มีชัยบอกว่าไงให้อาหารปลาหนึ่งครั้งใช่ไหมให้ผลกี่อัตภาพร้อยอัตภาพคูณเท่าไหร่คูณห้าอย่างเงี้ยนะถ้าไปฆ่าปลาแะ้วีวเนี้ยไม่ตรงเงินข้ามาเลยตีเนี้ยเอาที่ก็โดนฆ่ากี่อัตภาพตีเนี้ยห้าร้อยอัตรภาพเนี้ย โอ้ยไม่คุ้มเลยแต่เนี้ยมดตัวเดียวก็ไม่อยากจะฆ่าแล้วใช่มห้าร้อย500อัตภาพที่ท่านยกตัวอย่างเรื่องแพะใช่ไหมที่แพ้หัวเราะกับแพรร้องไห้อ่ะใช่ไหมตรงนี้ก็เห็นภาพเลยติณ้อนยังไงเจตนาที่เป็นไปกับการฆ่าห้าร้อยอัตภาพเจตนาที่เป็นการการให้อาหารหนึ่งร้อยอัตภาพคูณห้าอนนี้เราก็โอ้โหแต่เนี้ย มันจะเริ่มเห็นแม้แต่สัตว์เล็กๆก็ไม่ควรไปเกี่ยวข้องจริงไหมเนี่ยไม่ควรไปฆ่าเลยแต่กรณีอย่างนี้เราเห็นไหมเราเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราวิจัยพื้หมดเลยกุศลศีลเดินหมดเลยแต่เนี้ยป้องกันไม่หมดเลยไหมไมันจะป้องกันอย่างเดียวละได้ด้วยในขนาดนั้นเพราะวัตถุชิ้นนี้ทําบาปได้จริงอะ่ะทําปาณอธิบาตได้จริงด้วยในะวัตถุชิ้นเนี้ยทําอธินาทานการเมษุมิชฌาจารได้จริงอะ่ะ มุสาวาจได้ปิสนาวาจาได้พุทวาจาด้วยสัมภาราปะได้ด้วยโลภได้ด้วยโกรธได้ด้วยหลงได้ด้วยไอตัวเชื้อโลภโกรธหลงนี่ไงที่เป็นไปแย่แบาถ้าไม่วิจัยอย่างนี้แล้วจิจของกุศลศีลจะทําลายความทุศีลได้ยังไงเพราะกุศลกุศลศีลเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าทําลายความทุศีลความไม่มีศีลเมื่อเขาทําลาย บ, ายบาย่อยๆ ทำลายบ่อยๆทำลายทางกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามทำลายบ่อยๆทำลายไปเรื่อยๆเยๆผลปรากฏออกมากายสะอาดไหมกายสะอาดวาจาสะอาดไหมใจสะอาดไหมกายวาจาใจสะอาดนั้นเป็นผลของกุศลศีลเป็นผลของกุศลศีลก็มองเห็นชัดเลยตเนี่ยอ๋อกายวาจาใจสะอาดไม่ใช่สมาทานศีลครั้งเดียวเนี่ยกายมันจะสะอาดได้ไหมใจมันจะสะอาดได้ไหม วาจาสะอาดได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้หรอกสมาทานครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้มันต้องชําระบ่อยๆไหมต้องให้กุศลศีลมาชําระบ่อยๆเกิดบ่อยๆเพราะใจเรานี่สะอาดหรือไม่สะอาดกายก็ไม่สะอาดวาจาก็ไม่สะอาดเพราะมาจากใจที่ไม่สะอาดนั่นเองฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นในชั้นของคําสอนเราจะเห็นชัดเลย ตอนนี้ยกายกรรมเราถูกอะไรรั่วลดราคารัร่วลดไหมถูกราคารัร่วลดถูกโทสะรั่วลดถูกโมหารั่วลดกายกรรมเศร้าหมองเพราะราคาโทสาโ ม, มหาวจีกรรมมโนกรรมเศร้าหมองเพราะราคาโทสาโ ม, มหาฉะนั้นจะเป็นละเพียงครั้งเดียวจะให้กุศลศีลเกิดเพียงครั้งเดียวกายวาจาใจจะสะอาดไม่ได้ต้องให้เกิดไปไหวอ ย, อยังเดีนเนี้ยต้องไข้ ค, รครวรหรือยัง ถ้าขาดการไข้ควรเรียบร้อยแล้วอะไรคือการขัดเกลารอะไรคือการเจริญแล้วไหนที่บอกจะไปเจริญศีลไหนจเจริญตรงไหนจเจริญตรงไหนถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วทํำยังไงลองบอกหน่อยที่นอนอยู่รักษาศีลปุ๊บเข้าห้องนอนหลับตื่นขึ้นมาโหมีศีลรักษาศีลเบ็ดสมาทานศีลปับปกก้บกลับแล้วไปหาซื้อของต่อแล้วจะมีไหม พอไปเข้าในห้างแล้วกุศลศีลเดินดีไหมดีไม่ดีดโอ้โหเข้าไปในห้างโลภะเกิดไหมโทสะเกิดไหมโมหะเกิดไหมแล้วกุศลศีลเกิดไหมโดยส่วนใหญ่ไม่เกิดแม้ใครเจริญกุศลศีลในห้างบางคนก็เจริญได้นะบางคนก็ไปพิจารณาไปเห็นโอ้โหนี่เป็นนี่เป็นปัจจัยแก่ปฏิบัติบาตได้นะเนี่ยอทินนาทานอิคาเมสุมิชาจารย์ นี่มูสาวาดปิสุนาวาจาเขาเห็นหมดเลยใช่ไหมเขาก็เดินกุสลศีลแปลว่าคล่องแคล่วแล้วนะถ้าคล่องแคลวไปก็เห็นโทษต่อไปจะจับสิ่งไหนออกมาอ้ประดุ ด, ด ง, งูเห่าเลยใช่ไหม <c ười> เห็นเห็นเพชรเม็ดงามๆนี่โอ้โหงูเห่าเลย <c ười> งูเห่าไม่กล้าคิด <c ười> ตาลุกวาวเลยเข้าใจอย่างเดี๋ยว น, นี้ไม่เสียดายเงินไม่พอ <c ười> ข้อไหนเกิด เราพาเกิดเนี่ยเครียดขึ้นมาเลยเงินไม่พอเป็นอะไเห็นดินน้ําไฟลมเป็นเพชรโมหะ ก, กินก็อีดินได้แท้ใช่ไหมดินน้ําไฟลมบางคนไปเรียนอภิธรรมว่าพระเทวีธาตุธาตุ ด, ดินอาโปธาตุธาตุน้ําวาโยธาตุธาตุลมเตโชธาตุก็ธาตุไฟ่าไปเห็นเพชรขึ้นมาธาตถ่ายไปไปแล้วไปแล้วตอนนี้เหม่ไปท่องกันแทบตายว่าะจริงจริงเงินได้แต่ปริญญาอัฏฐะไม่เห็น ใช่ไหมแล้วก็เนีเ่ยเข้าก็ไปเรายังเป็นปุถุชนไอ้ปุถุชนเข้าพูดคานี้เพื่อจะทําบาปน่ากลัวไหมน่ากลัวเอาความว่าปุถุชนมาทําดีก็ยังคอว่าใช่ไหมเยวคําว่าปุถุชนเรามันปุถุชนเราจะไปเล่งจริงๆจังๆไม่ไหวหรอกเรายังมีลูกเรายังมีหลาน เรายังมีสามีภรรยาเรายังต้องรับผิดชอบไม่เหมือนท่านนี่โอ้โหไปไอ้เจ้วขาวไม่เห็นนะไม่เหมือนท่านเนี่ยกระแทกใส่พระเต็มที่เลยพากันั่งเออเออเอา เ, อ, อ, เ อ, อเรียบร้อยเลย <c oughs> ที่จริงที่จริงมันเป็นข้ออ้างถ้ามาย่อ้างก็ได้ใช่ไอามาป่วยโรคภัยไข้เจ็บเยอะ ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติยังไม่เหมาะสมกับมาแล้วอามาจะมีข้ออ้างอ้างได้ทั้งนั้นเลไอป่วยหนาวเช้าอยู่เมเย็นแล้วหิวนักก็ไม่ทำการงานทั้งนั้นเลยความเกียดคร้านเกิดได้เยอะแยะฉะนั้นเจตนาตรงนี้คังบอกว่าเจตนาเป็นกุศลเนี่นะทีนี้เจตสิกเจตสิกก็ประกอบกับ จตเนีเจตสิกก็มีถ้าพูดถึงในชั้นของเจตนาเจตนาเนี่ยนะที่บอกว่าถ้าเป็นเจตสิกก็คือความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาแล้วก็สัมมาวาจาสมากรรมตะสัมมาอาชีวะหกตัวเนะสัมมาวาจาเรารู้ไหมการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสี่ สมากัมันตะการกระทําที่เว้นจากกายทุจริตสามสมาชีวะการเลี้ยงชีพที่เว้นจากกายทุติจลิตสามวิจีทุจริตสี 4, ที่เป็นไปกับอาชีพอันนี้เกี่ยวกับวิรตีนะวิรตีวิ ร, ต, วรตีนี่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นสภาวะธรรมที่งดเว้น ถามว่าตัววิรติเป็นตัวตัดรอนเวรเจตนาทั้งหมดที่เป็นอกุศลฉะนั้นถามว่าใครมีวิรติเกิดบ่อยคนๆ น, น, นั้นก็สามารถละบาปประรมได้เร็วแล้วก็ละได้รวดเร็วใช่ไมแล้วก็มาพิจารณาดูว่าวัตถุทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยเห่การให้เราทุศีนได้ทุกข้อเลยใช่ไหม เป็นตัดใจกยกับการทำให้เราล่วงละเมิดศีลด้ทุกข้อทั้งที่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอันนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วอันนี้เกิดจากความเข้าใจฉะนั้นถ้าเรามองเห็นนะสิ่งที่ต่างๆบางครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราเนี่ยไม่ทำอยู่แล้วก็ไม่รู้จะคิดให้มันปวดหัวทั้งหมใช่ไหมโดยมากเราจะคิดกันอย่างนั้นที่ไหนได้จากการที่ไม่ได้ฝังข้อมูลไว้ให้รอบด้านนี่แหละเลยกลายเป็นปัญหา อารมพะก็ไม่แข็งแรงอโทสะก็ไม่แข็งแรงปัญญาก็ไม่แข็งแรงถ้าความไม่โลภไม่แข็งแรงอะไรจะแข็งแรงแทนความโลภมันจะแข็งแรงแทนเนีถ้าความไม่โกรธไม่แข็งแรงอะไรจะแข็งแรงแทนโกรธมันจะแข็งแรงแทนถ้าปัญญาไม่แข็งแรงอะไรจะแข็งแรงแทนโมหะถ้าโมหะมากอะไรจะน้อยปัญญาน้อยใช่ไหมถ้า โมหะแข็งแรงแข็งแกร่งใช่มแล้วปัญญาจะกลายเป็นยังไงปัญญาก็จะอ่อนเลยใช่ไหมปัญญาก็จะอ่อนแอเลยปัญญาอ่อนแอก็แปลว่าทีนี้ปัญญาเนี่ยถ้าเรามองเห็นนะเอ๊ะปัญญามาเป็นศีลยังไงเออน่าคิดไหมทำไมปัญญามาเป็นศีลทั้งๆที่เราบอกศีลสมาธิปัญญาแต่ในที่เนี้ย บอกว่าปัญญามาอยู่ในชั้นของศีลบอกไว้แล้วไงปัญญามาอยู่ในฐานะไปพิจารณากรรมและผลของกรรมเมื่อพิจารณากรรมและผลของกรรมแล้วเนี่ยปัญญานั้นเลยมาเป็นปัจจัยแก่การงดเว้นจากบาปทางกายและทางวาจาปัญญาเลยมาอยู่ในฐานะเป็นกุลศลศีลเห็นไหมเป็นเจตสิกศีลเพราะปัญญาพิจารณาว่าการฆ่าสั์มีอานิสงส์ยังไงบ้างอะ อาการฆ่ามีอ น, นิสงฆ์ยังไงเออทำให้อายุสั้นใช่ไหมมีโรคภัยเบียดเบียนสารพัดเบเร็จเนยะสุขภาพกอ็อ่อนแอแล้วก็เป็นคนหวาดกลัวคนอื่นมักจะถูกฆ่าถ้าไม่ถูกฆ่าก็ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยไม่มีนโทษเยอะแยะหมดถ้าเรามองนี้ เนี่ยนี่ยเห็ น, นปัญญานะไปวิจัยเมื่อฟังพระธรรมคําสอนก็เริ่มวิจัยออกใช่ไหมเริ่มวิจัยออกโอ้โหการรักษาศีลกลเป็นคุณประโยชน์ถ้าไม่มีศีลกลายเป็นโทษกลายเป็นโทษถ้าเรามองในชั้นของของของโทษเขาเนี่ยของโทษของปฏิบาตินี่นะหนึ่งทั้งวดเว้นเนี่ยนะเป็นคนถึงพร้อมด้วยความว่องไว เป็นคนที่ร่างกายอุบนร่างกายในเนะความสมบูรณ์ของวัยวะน้อยใหญ่สั้ทรงไม่ใหญ่โตและกลมกล่อมเป็นสมบัตินี่นะเป็นคนมีเท้าตั้งตรงไว้ดีมีเป็นเป็นคนที่สวยงามด้วยอ่อนโยนด้วยเป็นคนสะอาดเป็นคนแกล้วกล้าเห็นไหมกรรมที่เราทำไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่รังแกสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นเหรอเนี่ยแล้วเป็นคนที่มีกําลังมากนิดหน่อยก็อ่อนแอเดินไปนิดหน่อยก็แหลมมดแรงเนี่ยไม่ใช่เลย แล้วเป็นคนมีถ้อยคําที่ห้าวหาญคือชัดถ้อยชัดคํามากเอ๊ะ ก, กรรมเห็การไม่ค่ า, าถ้าเราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยไปประทุษร้ายร่างกายเขาเนี่ยทําให้เสียงเขาแปลกประหลาดไปไหมสัตว์ตนนั้นเนี่ยประหลาดเลยเนะ้นั้นกรรมเนี่ยมันจะมาเบียดเบียนเราหมดแหละไปตัดเส้นเอ็นเขาทําให้อ่อนแรงกลายเราเป็นคนอ่อนแรงเองเนะ ไม่ไปตัดกล่องเสียงเขาถ้าไม่เสียงเขาไม่ดีเราก็กลายเป็นคนเสียงไม่ดีเนี่ยกรรมมันจะกรรมมันจะย้อนมาในลักษณะคล้ายๆทําทนองอย่างนั้นเป็นคนไมเ่เป็นคนไม่มีโทษและแปลกคนที่ไม่ทําคนที่งดเว้นจากการฆ่าไปที่ไหนมีแต่คนรักนะเพราะเราไม่เคยมองมองตัดทั้งหลายด้วยจิตใจโหดร้ายเลยอะใจกับน้อมมีแต่เมตตาเขาใช่ไหมแล้วก็เป็นคนมีบริษัทไม่แตกแล้ว โอ้โหมีบริวารก็สามัคคีกันเนี่ยเอางี้เราไปฆ่าเราไปทำกรรมตรงนี้นะสมมติไปฆ่าคนหนึ่งคนพอให้คนในในที่เป็นสิ่งแวดล้อมเขาเนเขาโกรธแค้นไหมนั่นแหละเหตุตรงนั้นเลยเป็นเหตุให้เป็นบริษัทแตกเ้าหมดเลยมีบริวารก็แตกทะเลาะกันขัดแย้งกันอันนี้หมายถึงมาเป็นมนุษย์นี่ได้คือได้ฐานะนี้ด้วยนะได้ฐานะที่บริวารแตกแยก ใครใครมีบริวารแตกแยกบ่อยไหมอยู่สองคนยังทะเลาะทุกวันเลนยเป็นทะเลาะกันทุกวัน ม, มีคนทะเลาะ ด, ด้วยเนี่ยเนอไอ้ผลของการิบาติยนยนะแล้วก็เป็นคนไม่กลัวอ้าเราไม่เคยทําความหวาดกลัวให้กับใครเนี่ยใจของตนเองก็เลยไม่กลัวใครไม่เป็นคนขี้กลัวไม่เนคนขี้ ข, ข, ขี้ขลาดแล้วก็ ศัตรูกําจัดยากเั้นคนที่ไม่ทำปนานธิบาตมาเขาจะตามฆ่ายัางไงฆ่าไม่ได้หรอกฆ่าไม่ได้แล้วก็ไม่ตายเพราะความพยายามของบุคคลอื่นเขาจะฆ่าเขาจะอะรต่างเนี่ยรอดทุกรายเลยที่นี่อา น, นิสงส์ดีขนาดเนี้ยไปที่ไหนไปเอะไปอยู่ภาคใต้ก็ได้เราทำกรรมมาดีอันนี้เพราะที่ไม่กล้าไปวันนี้เพราะอะไร เพราะว่าอดีตกรรมเนี่ยเราทํำแย่ๆมาเยอะใช่ไหมถ้าไปอย่างนั้นก็ได้โอกาสของกรรมเลยใช่ไหมบังให้ผลตูมตามทันทีเลยแต่ถ้าอย่างพระบรมศา ส, าสดาทรงมีพระชนอยู่เนี่ยไปสบายสบา ย, บายไหสบายมีใครทําท่านได้หรือเนี่ยพระาศาสดาเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ไม่ทํำกรรมหนักอยู่พวกนี้มาเนี่ยนะสวดทรงงามมีโรคภัยน้อยด้วยนะเป็นคนไม่มีความโศกเป็นคนไม่มีความโศก แต่ถ้าหากว่าไปฆ่ า, าศาตร์นี้นหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์นะตกนรกกับพูดกันไปแล้วนะต้องลงอบายทุกตีวิธิบาสนระกแน่นอนอยู่แล้วกรรมนั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะหนึ่งได้ฐานะก้าวประการทุกพลภาพเป็นคนทุกพลภาพรูปไม่งามอ่อนแอเชยชาเป็นคนที่ขาดกลัวแล้วก็กลัวด้วยนะ ฆ่าตายหรือบางทีไม่ถูกใครฆ่าก็ฆ่าตัวเองดูสิเนะี่ยกรรมแต่เนี้ยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปฆ่ามดทําไมเราจะไปฆ่าปวกทําไมจะไปฆ่ า, มาแมลงทําไมใช่ไหมยังจะเอายาฆ่ า, มาแมลงไปพ่นใส่หนูอยู่อ่ะไม่เลยไม่กล้าแล้วอันนี้สงฆ์จะทําให้เราอยากฆ่าตัวตาย ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายอยู่เลย ง, เงุดงิดเครียดคิดไปคิดมากุ้มเราทําดีขนาดนี้ไม่มีใครเห็นเราเป็นคนดีก็อย่าอยู่มันเลยโลกนี้งไงนะนักเข้านักเข้าก็ฆ่าตัวตายนี่กรรมจากอะไรเนี่ยกรรมจากปาธิบาตฉะนั้นการทําปธิบาตวันนี้คือการประทุสล้ายตัวเองในการต่อไป แต่ถ้า ง, งดเว้นจากปานาติบาตวันนี้ซึ่งเป็นกุศลศีลเป็นตัววิรตีเจรสิก ท, ที่เป็นสภาวธรรมที่ไปตัดรอนใช่ไหมเป็นสัมมาค ร, รมมัตเนี่ยไปตัดรอนเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าได้ไบ่อยจนกุศลศีลเดินได้อย่างแข็งแรงนั้นนะ่ะชื่อว่าเราจะสร้างความปลอดภัยกับตัวเองในการต่อไปอันนี้มันเป็นผลดีกับตนเองโดยแท้ผู้รักตัวเองจึงควรไม่ควรจองเวรไง กรณีอย่างนี้เมื่อเอาไปไข้ควรอย่างเนี้ยไข้ควรบ่อยๆเป็นกุศลไหมเป็นกุศลศีลใช่ไหมเมื่อเอากุศลศีลนั้นมาเดินบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ า, ขาเป็นภาวนาไหมเป็นภาวนากุศลทํากุศลที่เกิดขึ้นครั้งแรกและกุศลที่เกิดขึ้นหลังๆให้เจริญไทบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาเรียกภาวนาใหม่นี่ไงภาวนาตอนนี้เริ่มจะเข้ามุมไงว่าตอนนี้เรามาเจริญภาวนากันจริงๆ เอาศีลมาเจริญภาวนาเอาทานมาเจริญภาวนาเอาพุทธคุณมาเจริญภาวนาแมสสามารถยกนามรูปขึ้นสู่วิจัยด้วยความเป็นไตรลักษณ์เอามาเจริญวิปัสนาภาวนาก็ได้นี่พอจะต่อยอดกันได้เองไหมถ้ามาขนาดนี้แล้วเริ่มได้ใช่ไหมทีนี้เอาอะโลพาคือความไม่โลภเป็นศีลเพราะเพราะสภาพวะธรรมที่ไม่โลภนี่แหละ ใช่ไหมความไม่โลภเนี่ยหนึ่งไม่โลภอยากได้ของเขาก็ไปไม่เป็นเหตุแห่งการที่จะไปลักไปฆ่าไปประพฤติผิดในกรมไปพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจื่อใช่ไหมฉะนั้นสภาวะที่ความไม่โลภที่เกิดขึ้นเป็นไปกับกุศลเนี่ยจึงสภาวะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นไปกับการงดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาอโลภยึงกลายเป็นกุศลศีลเป็นเจตสิกศีลเพราะความไม่โกรธ เพราะการเมตตาความไม่โกรธนี่แหละเป็นเป็นสภาวะธรรมที่ว่าเออเห็นบุคคลทั่วไปก็ไม่โกรธก็เลยไม่น้อมที่จะผุดผิดศีลข้อแรกข้อสองสามสี่ห้าหกเป็นต้นเอะไรนี้ส่วนปัญญาก็ไปวิจัยเรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อทําอย่างนี้เป็นกุศลกรรมทำอย่างนี้เป็นอกุศลกรรมก็งดเว้นจากอกุศลกรรมเจริญกุศลกรรมก็ทํากายให้เป็นสุจริตวาจ่ายเป็นสุจริตใจก็เลยกลายเป็นสุจริตก็เลยเป็นเหตุแเ่งการที่ เกิดร่วมกันกับวิรตีเข้าไปตัดลอนเวราเจดนาอกุศลไม่บาปนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องทางกายกรรมวิจิกรร ม, รร ม, รรมโนโกรรมเลยฉะนั้นผลปรากฏของกุศลรศรีลกายก็สะอาดว่าใาก็สะอาดใจก็สอาดฉะนั้นต้องชำระให้บ่อยไหมชำระให้บ่อยจนถึงความสะอาดขัดเกลาจริงๆยั้นคนจึงคนที่รักษาศีลจึงผ่องใสไหมนี่เรารักษาศีลหน้าตาซีบเซียวเนี่ยเป็นเพราะอะไรศีลมันไม่เดินศีลมันไม่เกิด ถ้าศีลเกิดไม่เป็นแบบนี้เอารักษาศีลแล้วถีนมิถาก็เกิดรักษาศีลก็เครียดอันนี้ใช่ศีลไหมโยศีลเนี่ยเกิดร่วมกับเวทนาได้สองคือสมณสเวทนากับเบขาวเวทนาที่เป็นความละเอียดอ่อนของจิตด้วยฉะนั้นการรักษาศีลจึงไม่มีภาวะของความเครียดเลยแม้แต่น้อย ไม่มีเลยไม่ใช่ว่าคนเจริญมาเจริญกรรมฐานแล้วหน้าดำเข้าเครียดกลับไปแล้วคุยกับใครไม่ได้แล้วเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดอันนั้นใช่การเจริญกุศลธรรมไหมไม่ใช่แล้วผิดแล้วไปดึงหูมาใหม่บอกว่าคุณไปฟังใครมาทำไมไปเจริญกุศลศีลอย่างนั้นใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นชื่อของเวรนาสองสมนัสกุเวขา แต่นี่ไปรักษาศีลสมาธิปัญญาอย่างไรถึงจะไปได้ทอมอนาสเวเนากลับมาบ้านเนี่ยแต่อย่าไปถามว่าพระองค์ไหนสอนเอามาสององค์นี่ไม่เกี่ยวตัดรอนหน่อยด้วยนะเข้ายุ่งเลยแล้วกระทบกระเทือนถึงพระให้พระท่านอยู่สนุกสนุกหน่อยมั้ยให้เจริญกุศลกับท่านเานิ่งเข้าเดี๋ยวเกิดมานี่ท่านสอนแม่ฉันยังไงเนี่ยตั้งแต่แม่ไปวัดมาเนี่เครียดจัดเลยด่าก็เก่งบนก็เก่ง แล้วจะทํำไงแต่เนี่ยนี่ลำบากไหมนี่ก็ลําบากใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่ว่ากุศลศีลไม่ดีแต่เราตั้งท่าทีกับกุศลศีลไม่เป็นเราไม่ให้กุศลศีลเกิดได้จริงๆริงใช่ไหมเออมันบางคนเครียดจริงๆรนะคือพยายามจะให้กุศลศีลมันเกิดแต่มันไม่เกิดนะอย่าว่าจะทำให้เกิดก็ไม่เกิดจะทาให้เกิดก็ไม่เกิดเคยเป็นไหมพยายามจะคิดแล้วใช่ไหมก็สอนให้คิดเนี่ยก็พยายามคิด เนี่ยเอาไม่นั่งคิดคิดไปก็กลุ่มเอาเอามันกลุ่มจริงนะคิดคิดไปเนี่ยไม่รู้จะคิดยังไงเอาเป็นปัจจัยเกี่ยการฆ่าก็ได้เป็นปัจจัยเกี่การรักก็ได้เป็นปัจจัยเกี่การประพฤติผิดในกามก็ได้เป็นปัจจัยเก่กการพูดเท็จส่อเสียดทาอย่าเพ่อเจ้อก็เราไม่เคยทำนิพรพานพูดใช่ไหมเราไม่เคยทำเล ย, เ ร, เ, ย, เ, ลยเราไม่เคยคิดแบบนี้เลย เพราะเองโมหะมันผิดไงที่จริงเวลาคิดเขาให้คิดด้วยกุศลเลือกกุศลเออถ้าอกุศลเกิดอย่าไปคิดตรงนั้นต้องมาชําระดูใจขึ้นตนเองก่อนใช่กุศลไหมตอนเนี้เราจะเดินตามรอยบาป菩萨ษาสดาในการสมาทานกุศลศีลใช่หรือไม่เอาถ้าเราจะเดินตามรอยบาป菩萨ษาสดาเดินตามกุศลศีลเนี่ยเอ๊เราต้องคิดด้วยจิตที่เป็นกุศล ไม่ใช่คิดด้วยจิตที่เป็นบาปใช่ไหมเราจะบรรลุธรรมที่เลิศใช่ไหมไม่ใช่ให้ธรรมะเร็วๆมาเกิดในใจโัวผ้าตัวสาวโมหะเป็นธรรมะที่เร็วฉังนั้นเราจะไม่ให้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นก็ตั้งมนานักสิกานอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยวิจัยถ้าวิจัยไปแล้วมันเกิดจะฟุ้งขึ้นมาก็รักษาใจเป็นทำจิตที่เป็นสมาธิก่อนใช่ไหมต้องรักษาใจให้เป็นสมาธิไม่ใช่จะฝืนคิดอยู่นั่นแหละ ในข้าวในข้าวหน้าดำก็มัเครียดออกมาบอกนี่ไปได้ศีลข้อไหนวะโอเครียดเหลือเกินไปรักษาศีลงวดนี้กลับมาโรประสาทจะกินหักกระจาระงับประสาทนอนไม่หลับอีก <c oughs> คิดมากจากัดอาพาสอนให้คิดเนี่ยใช่ไหมไม่ไปแล้วใครจัดทําไมชี้สองสุกจัดไม่ไปก็แล้วไม่ไม่กแล้วถามทํมาไมเครียดเนี่ยสอนให้คิดเนี่ยสู้ให้ไปนั่งนิ่งๆดีกว่าใช่ไหม สบายใจจิตนั่งนิ่งๆมีความสุขอะ่ะอันนี้พอบอกให้ออกมาคิดเนี่ยโอ้ยเอาคนเราเนี่ยเบื่อการคิดนะใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าทางโลกเนี่ยวุ่นวายต้องแสวงหาซะเขาเหนื่อยเขาฉะนั้นมาทางธรรมเนี่ยกขาบอกเขาขอพักผ่อนคือหยุดคิดเนี่ย น, นี่ไป คือเราถ้าก็เลยเอา้าวสนองความต้องการเลยนะปะเออบางแห่งก็เลยบอกอา้าวทั้งนั้นไม่ต้องคิดให้อยู่กับอารมณ์เดียวคือให้เปลี่ยนอารมณ์เล่นทั้งนั้นเนี่ยคือที่จริงด้า阿弥จะทําอย่างนั้นก็ได้นะามาก็จับจุดโยอมถูกใช่ไหมเพราะยมแก้ปัญหาแบบถ้าโทสะเกิดโยอมแก้ปัญหาด้วยโลภะเช่นยอมเครียดเียดก็ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเที่ยวมน้ําตกเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวเขา เที่ยวดูนกดูไม้ชมนกดูถ้ำงั้นก็มีความสุขเพลินไปได้ใช่ไหมอมาก็จับประเด็นได้ถ้าต้องการที่จะให้ยอมมาติดเนี่ยง่ายนิดเดียวอมาก็โอ้ทางโลกมันน่าวุ่นวายยอมเมื่อนี่มาทางพระธรรมนี่ยอมทำใจให้สงบไม่ต้องคิดอะไรเมื่อทำจิตให้ดิง่งอยู่ในอารมณ์เดียวแค่นั้นเนี่ยแล้วยอมจะมีความสุข ดังนั้นความสุขที่การดิงร่งแน่ล้มเดียวเไปเสร็จนี่ไงคือพระธรรมของพระผู้มีภาค้าแล้วยอมก็มาทําดูเออจ ร, จริงๆด้วยมันนี้สงบที่ไหมแต่สองวันได้เจดวันเบ็ดเสร็จกลับไปโอ้ชื่นใจออกลับไปชาร์จแบตเตอรี่มาแล้วเขาพูดกันอย่างนี้นะ อ, อไปชาร์จแบตเตอรี่มาแล้วก็ ย, ยังชั่วหน่อยพอกลับมาแล้วข้อ น, นี้ก็ได้ทํางานพอเครียดก็กลับไปชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ก็งั้นแล้วมันเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเอาแต่ข้อที่จริงเป็นแบบนี้ไหมเอามาบอกว่า มันมันถูกแต่มันไม่หมดได้ข้อเท็จจริงก็คืองไงถูกไม่หมดก็คือว่าตอนนั้นที่เป็นอยู่ในเพศที่เราอยู่ทางบ้านเนี่ยเราคิดด้วยอกุศลแต่ถ้ามาเข้ามาในคําสอนของพระศ า, าสดาเนี่ยให้คิดด้วยกุศลพระศ า, าสดาตรัสไว้ในโทยทาวิ ต, ตรักษาในมันชฌิมนิกายนะ บอกว่าถ้ากุศลเนี่ยนะถ้ากุศลลวิตกเกิดถ้าตึกถ้าน้อมตามที่จิตที่เป็นไปกุศลเนี่ยนะคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าคิดแบบเป็นกามาวิตกปาลบกามาคุณพยาบาทวิตกคิดในเรื่องของพยาบาทความโกรธเนี่ยนะวิหิงสาวิตกคิดในการเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ยคิดไม่เท่าไหร่ก็เครียดคิดไม่เท่าไหร่ก็เครียดฉะนั้น นี่เราเราไม่เคยไงเราไม่ชํานาญเลยนะการที่ใช้กุศลแจิตคิดในขณะที่จะมาคิดแบบกุศลไอ้อกุศลก็มาเสนอหน้าเรื่อยแล้วเราก็แยกไม่ออกแยกไม่ออกระหว่างกุศลกับอกุศลใช่ไหมน้าเข้าน้าเข้าก็โอ้ไม่เอาแล้วใช้ความคิดมากเกินเราชอบนั่งนิ่งๆอะ่ะเพราะนิ่งๆมันไม่ต้องออกแรงใช่ไหมอันเราคิดว่ามันจะมารู้ได้ด้วยการนิ่งๆแบบไม่ออกแรงคิดไหมโอ้โห oh. คำว่าตัดสู้เนี่ยคือคิดจนตัดสู้นะโยมคิดจนตัดสู้ไม่ใช่อยู่นิ่งๆแล้วตัดสู้เองไม่ใช่พอจะมองเห็นไหมแต่ว่าท่านมีฐานคิดยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่คิดแบบสเปสปะท่านใช้สมาธินะ่ะเป็นฐาน เทสสมาธิเป็นฐานกระบวนการคิดเมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยท่านอาจจะตั้งเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงในขณะนั้นก็แล้วแต่แต่เมื่อออกจากสมาธินั้นแล้วเนี่ยเอามาเป็นฐานใงการคิดก็เคยยกตัวอย่างใช่ไหมว่าประตูเมืองต้องมีไหมถ้าเรามาถ้าเราจะสร้างเมืองเนี่ยมันจะต้องมีประตูเมืองแล้วก็จัดการเอาคนไม่ดีออกไหมเอาคนที่ไม่ดีออก ในเมืองนั้นแล้วก็ปิดประตูเมืองแล้วก็บริหารจัดการข้างในเสียตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเราเนี่ยยังไม่สะอาดก็เหมือนกับบ้านเมืองที่ยังไม่ได้จัดแจงขจัดคนไม่ดีทั้งหลายออกฉนั้นกุศลศีลจึงมีหน้าที่ในการ ปกครองบ้านเมืองนี้ปกครองนี้ปกครองอะไรปกครองกระแสของชีวิตเนี่ยเพื่อจะคัดสรรสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วเบษษ็ดเสร็จก็เริ่มปิดประตูเมืองพอกายวาจาใจสะอาดเบษษ็ดเสร็จปุ๊บก็เริ่มนั่งแท่นที่สมาธินะสมาธินี่แหละที่มีกุศลศีลเป็นสภาวธรรมที่ทรงไว้นี่แหละ ก็เลยปิดประตูเมืองได้ชัดกลุ่มอารีราศัตรูทั้งหลายก็เข้าสู่เมืองนี้ไม่ได้จะเข้ามาสู่ทางทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้เพราะเรามีกลุ่มสังวรศีลตัดหกประตูะสติไหมเป็นประธานเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีล น, นาวิติกมาศีลเน่ยสติเมื่อทากิจในการที่เป็นเหมือนกับแขกเหมือนกับยามประตูอะ จะแข็งแรงมากเพราะเจตนาเพราะว่าสติเป็นประธานแกเจตนาศีลในทวารตาสติเป็นประธานแก่เจตนาศีลทางทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจแต่ก่อนที่อินเดียสังวรเนี่ยจะแข็งแรงเนี่ยถ้าตัวกุศลศีลที่เป็นเจตนาศีลเจสิกศีลสังวรศีลอวิถีิกมาถ้าตัวเจตนาศีลเป็นต้นที่เป็นไปกับการดูแลกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจาย ไม่แข็งแรงเพียงพอแล้วจะเดินตงขึ้นสู่ชั้นของอินเรียสังวรศีลยังไม่ได่ามองเห็นไหมฉะนั้นปาติโมกสังวรศีเขากับปาตีปาตีเนี่ยปาตีเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นปาตีบุคคลก็แปลว่าบุคคลที่จะต้องตกไปในอใยภูมิและตกไปในสังสารวัตรเขาเรียกปาตีบุคคลมองเห็นไหม ปาตีนเนี่ยแปลว่าตกไปปาตานะน่ยตกตกไปไหนตกไปสู่อบรรยภูมิก็ตกไปในสังสารวัตรคือตกไปในการที่จะเวียนว่ายตายเกิดฉนันเราจึงเป็นปาตีบุคคลใช่ไหมทีนี้ตอนนี้เราตกไปในไบรรยภูมิหรือกําลังตกไปในสังสารวัตรเนี่ยตกไปในสังสารวัตรพระาศาสดามีพระมหากรุณาสมาปฏิยานก็ประทานปาติโมก สังวรศีลเพื่อให้เรานั้นพ้นจากความเป็นปาฏิบุคลบคลไงปาฏิบุคคลไงถ้าเรามีกุศลศีลตอนนี้แล้วเราจะไม่ตกไปในอบายภูมิก่อนจะไม่ตกไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เมื่อเอาปาฏิโมกสังวรศีลเป็นปัจจัยแก่อินเดียสังวรศีลอาชีวปฏิสุที่ศีลปัจจยะสันสนิิตศีลแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สมถาวิปัสนาเป็นต้น ในส่วนจริงๆเราจะไม่ตกไปในสังสารวัฏมองเห็นไหมนะถ้ามองอย่า้เห็นชัดแล้วโอ้สําคัญจริงๆเพราะตอนนี้เราเป็นปาฏิบุคคลเป็นบุคคลที่ตกไปสองสถานะตกไปในสังสารวัฏและตกไปในอายภูมิตอนนี้ชีวิตท่านทั้งหลายปลอดภัยในบายภูมิหรือยังปลอดภัยไหมปลอดภัยจริงหรือไม่จริง แน่นอนใจไม่แน่ใจหรือไม่แน่ใจตอนนี้ไม่แน่ใจเลยใช่ไหมฉนันชีวิตเราตอนนี้ไม่แน่ใจขนาดไม่แน่ใจยังประมาทยอย่างนี้นะนี่ขนาดไม่แน่ใจนะใช่มถามว่าเรามีวิจิติจ้าหรือไม่มีตอนนี้เราสงสัยอะไรอยู่อ้าสงสัยอะไรอยู่ เจตนาศีลจะทำอย่างไรก็ให้ศีลเกิดก็คือการพิจารณาการทำงานกับการเจริญกุศลศีลไม่ได้ขัดแย้งกันนะ